สุดที่รักจากเป ร, เรียนบางกอกยายก็เฝ้านับวันนับคืนคอยเขากลับมาสู่บางม่วงหมู่อีกครั้งเป็นการรอคอยที่แสนทรมานด้วยไม่แน่ใจว่าตนจะมีอายุยืนยาวต่อไปจนถึงวันนั้นหรือว่าจะด่วนเข้าเมนไปเสียก่อนครั้นนึกถึงวันที่พูดเรื่องนี้กับหลานยายก็ปล่งตก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 ดิเอ็งตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์แล้วหรือน่าสงสารลูกศิษย์เอ็งจังเลยนะทำไมล่ะยายอ้าวก็ขาดครูอย่างสอบตกแล้วลูกศิษย์จะไม่แย่กว่านี้หรือยายทำท่าดูแคลน มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกยายสิทธิ์ที่เก่งกว่าครูมีถมเถไปเขาเรียกอติชาติสิ์ไงละ่ะแล้วทำไมเองถึงไม่เป็นอติชาติสทิทำไมเลือกเป็นอวัชชาติสิยายหาเรื่องอีกจนได้เห็นหน้า ยายอย่าขมผมนักเลยตกลงยายจะไม่อยากรู้หรือว่าทำยังไงถึงจะอายุยืนถ้าต้องจ่ายคายกครูยายไม่อยากรู้ก่อได้คนขี้เหนียวแห่งบางม่วงหมู่ตัดสินใจง่ายได้้ดวยไม่ชอบเสียงเงินแต่ถึงยายจะไม่อยากรู้ผมก็จะบอก ไม่ได้ค่า ย, ยกครูก็ไม่เป็นไรนึกเสียว่าเป็นการแสดงกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้บังเกิดกล้าวของผู้บังเกิดกล้าวหนุ่มน้อยมิวายพูดเอาความดีความชอบงั้นก็บอกมาเร็วๆหากขืนชักชา้ายายจะไม่ให้โอกาสเองได้ทำความดี คนอายุย่าง8ปสบห้าพูดแบบไม่งอ้อตกลงครับตกลงบอกก็บอกคืออย่างนี้นะยายผมคิดของผมขึ้นมาเองว่าคนเราจะอยู่ได้นั้นต้องหายใจกับกินข้าวถ้าไม่ทาอย่างนี้ก็ต้องตายผมก็เลยตั้งเป็นสูตรว่าถ้ายังไม่อยากตายก็ต้องหายใจกับกินข้าวเข้าไว้ไอ้หนู เองก็หล่อนตามเคยแหละนะยายไม่น่ามาเสียเวลาฟังเองเลยยายรู้สึกผิดหวังไม่เสียเวลาหรอกครับยายหรือว่าผมพูดไม่จริงยายนิ่งคิดประเดี๋ยวจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงของเองงั้นเอาอย่างนี้เรามาสัญญากันว่า จะขยันหายใจกับกิ่นข่าวจะได้กลับมาพบกันอีกตกหลงนะครับผมให้สัญญาแล้วยายกับหลานก็พากันหัวเราะอย่างมีความสุข พองกำหนดจะกลับจากบางกอกวันนี้ยายเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจาะด้วยอยากทราบข่าวคราวของหลานชายคนโปรดสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเสร็จแล้วยายเตรียมตัวไปใส่บาทพระห้ารูปที่มาโปรสัตว์หน้าบ้านทุกวันนางสาวจําแรงกับแม่จวนจัดเตรียมของใส่บาทไว้ให้ยายเพียงแต่พาตัวเองลงไปรอพระที่หน้าบ้าน โดยไม่ต้องให้ใครช่วยพยุงแม่จวนถือสำรับตามหลังใส่บาดเสร็จยายขึ้นมากรวดน้ำมารดานหนุ่มเจริญหาขันจอกใส่น้ำกับจานหนึ่งใบมาให้หน้าที่เหล่านี้หลานชายเคยทำอย่างไม่ขาดตกบกร่องและยายก็จะสอนให้เขาเทคและยายก็จะสอนเข้าไปด้วย รั้แม่จวนมาทำหน้าที่แทนยายจึงสอนลูกแบบเดียวกับที่เคยสอนหลานเวลากรวดน้ำอย่าเอานิ้วมือไปรองน้ำนะลูกทำไมละแม่ขคาเห็นใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแม่จวนแยง้งอย่าเอาใครๆมาอ้างหน่อยเลย การอ่างคนส่วนมากใช่ว่าจะถูกเสมอไปอย่างเรื่องกรวดน้ำเป็นตน้นจะหาคนที่เข้าใจทองแท้แทบจะหาไม่ได้เองต้องจำเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะข้านะ่ะมันแก่แล้วจะอยู่สอนพวกเองไปได้สักกี่วัน อย่านับเป็นวันเลยแม่นับเป็นปีดีกว่าคนมีบุญอย่างแม่ต้องอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีเชื่อข้าสิก็ไม่แน่เสมอไปหรอกอายุคนสมัยนี้โดยเฉลี่ยก่เจ็ดสิบหกปีนี่ข้าก็อยู่เกินมาตั้งรวมสิปีถือว่า ได้กำไรพอแล้วแต่ขาก็อธิษฐานจิตไว้ว่าวันใดช่วยตัวเองไม่ได้ต้องนอนให้ลูกหลานป่อนขาวป่อนน้ำก็ขอให้ขาดตายอย่างส ง, งบอย่าให้ใครต้องมาลำบากเพราะข้าเลยยายวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบเรื่องลำบากนะ่ะข้าไม่กลัวรอ ขอให้แม่อยู่ไปนานๆก็แล้วกันลูกหลานจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณเอาเถอะเอาเถอะไม่ต้องมาตอบทงตอบแทนอะไรขารกข้าไม่เคยคิดทวงบุญคุณใครถ้าเช่นนั้นก็นิมนเทศเรื่องกรวดน้ำต่อเธอจ้าลูกสาวประนมมือในท่านนิมน คาเทตถึงตอนไหนล่ะมารดาจำไม่ได้ตอนที่บอกว่าเวลากรวดน้ำห้ามเอานิ้วไปรองถูกแล้วเพราะถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับเอาน้ำล้างมือไปให้ปูยาตาถวดกินดีไหมล่ะไม่ดีจ้ะ แม้ข้าก็โง่เสียตั้งนานและตอนรินน้ำลงใส่จานละ่ะรินตอนพระขึ้นยะถาวาริวหาหรือว่ารินตอนท่านขึ้นสัพพีค่าเห็นบางคนก็รินตอนยะถาบางคนก็ตอนสัพพีเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแม้จวนได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ถ้ากลัวจะลืมก็ท่องไว้เลยว่า ยะถาให้ผีสัพพีให้คนเมื่อพระว่ายถาวาริวหาก็เริ่มรินน้ำไปจนทันว่าถึงมณิโชเติระโสยะถาจึงหยุดแล้วประนมมือรับผ่อนตอนทันขึ้นสัพพีติโยวิวัตฉันตุบางคน ทันสับปีจบแล้วยังรินน้ำไม่เสร็จก็มีเรื่องเล็กเล็กน้อยนอยอย่างนี้บางทีมันก็สำคัญจะมองข้ามไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ถือกันมาผิดผิดก็คือเวลากรวดน้ำชอบจับ ก้นกันต่อต่อเป็นหางเว่าเชี่ยวคนเฒ่าคนแก่เวลากรวดน้ำเสร็จเหมือนลุกขึ้นก็เลยหางกระเบนหลุดไปตามๆกันทำไมถึงต้องไปทำอย่างนั้นด้วยเพราะเขาอยากได้บุญนี่ก็ตัวเองไม่ได้กรวดเลยต้องต่อบุญจากคนอื่นแคาไม่เห็นว่าจะผิดที่ตรงไหน ไมจวนออกความเห็นสำหรับคนโงนะ่เขาน่ะไม่ผิดหรอกแต่สำหรับคนมีปัญญาเขาจะเห็นว่าไม่ถูกต้องการกรวดน้ำคือการอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นจะเป็นปูยาตาทวด หรือเจ้ากรรมนายเวรก็ตามถ้าเราไม่มีน้ำจะกกรวดเราก่ออุทิตในใจที่เรียกว่ากรวดแห้งวิธีปฏิบัติก็คือเมื่อพระข้นยถ า, าวาริวหาก็ปรนนมมือพร้อมกับอธิษฐานจิตอุทิตส่วนกุศล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 ก็จะได้แต่ของปลอมแต่แม่ไม่เคยเรียนนี่จ๊ะทำไมถึงรู้ลูกสาวแย้งเสียงเรียบใครว่าข้าไม่เคยเรียนจริงอยู่ถึงข้าจะไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนอย่างเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ได้เรียนการที่ข้าฟังพระเทร มาตั้งแต่หัวเท่ากำปั่นก็เท่ากับข่าเรียนถ้าไม่เรียนหรือจะรู้ไม่ดูหรือจะเห็นไม่ทําหรือจะเป็นจะลำเข็ยนยำแย่จนแก่ตายจําเอาไว้การเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องได้จากโรงเรียนเสมอไป ยายอธิบายค่อนข้างละเอียดฟังมารดาสอนเรื่องวิธีกรดน้ำที่ถูกต้องแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าทิดพองกำหนดจะกลับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาเรือเขียวหรือเรือแดงคงจะเป็นเรือเขียวกระมังเพราะถ้าเป็นเรือแดงบานนี้คงถึงบานแล้วนี่ยังไม่เห็นมาหรือว่า ไปได้มีอาทิบางกอกเซนแล้วก่อใหม่รู้ยายแซงเยาวลูกสาวเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกแม่เพราะเขาอธิษฐานจิตขอถือศีลแปดตลอดชีวิตแล้วเอ็งยอมเขาหรือยอมสิแม่ข้านี่แหละเป็นคนแนะนำเขาตั้งแต่คลอดไอ้หนูเราก็เลิกยุ่งเกี่ยวกันข้ากลัวไอ้หนูจะมีน้องเบื่อออกลูก ออกมาแล้วก็ต้องมานั่งเลี้ยงกว่าจะโตมาได้แต่ละคนมันลำบากยากเย็นเหลือเกินลูกสาวแจงเหตุผลก็ดีเองก็ฉลาดเหมือนกันนี่ยายชมลูกสาวนั่นเพราะข้ามีแม่ฉลาดต่างหากละ่ะขนาดไม่ได้เรียนหนังสือก็อยังฉลาดกว่าคนจบปอซี่ยังข้าเสอีกลูกสาวชมตอบ ฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ไม่มีใครมาหลอกขาได้ก็แล้วกันยกเว้นจกแกลของขา่าประโยคหลังยายพูดในใจถึงว่าสิไอหนูถึงได้เฉลียวฉลาดเพราะอยู่กับยายนี่เองถ้าอยู่กับพ่อแม่คงไม่เป็นอย่างนี้คนอายุย่าง8ปสบห้าอยากจะเทียงว่าหลานชายฉลาดแต่ไม่เฉลียว ครั้นตรองดูแล้วจะเข้าตำราหยิกเล็บเจ็บเนื้อจึงนิ่งเสียพูดถึงไอ้หนูป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าจะคิดถึงเขาขึ้นมาอีกแล้วแม่ไม่คิดถึงหลานบ้างหรือไงทําไมจะไม่คิดก็ข้ารักของขา้ารักมากกว่าเองเสียอีกรักมากกว่าลูกทุกคน นับเป็นบุญของเขาข้ามานั่งนึกดูไม่คิดว่าจะเลี้ยงเข้ามาจนโตเป็นหนุ่มได้ที่โตเป็นหนุ่มน่ะกาเลี้ยงตั้งหากไม่ใช่เองมารดาขัดขึ้นคงจะจริงเพราะถ้าแม่ไม่เอามาเลี้ยงป่านนี้เขาอาจจะไปเกิดใหม่แล้วตอนเล็กๆ ก, ก็ซนเหลือเกินพอหัดเดินต่อแตะต่อแตะก็ตกบ้านไปตั้งห้าหกครั้ง ข้ายังจำได้ติดตาตอนตกครั้งแรกอายุขวบกว่ า, ก, วากำลังน่ารักน่าชังวิ่งตกเรือนหัวไปฟาดกับเล้าเป็ดร้องไห้จ้าเลยข้าเงี้ยทำอะไรไม่ถูกร้องเสียงหลงเป็นผีเข้าหนูเอ้ยลูกแม่เป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมลูกยังจำเสียงตัวเองได้วิ่งง ก, งกเงิ น, ง น, งนลงไปอุ้มลูกมากอดไว เดชะบุญที่เขาไม่เป็นอะไรมากแค่หัวแตกเลือดซิบๆเท่านั้นเกิดเข้าคอหักตายข้าเห็นจะต้องฆ่าตัวตายตามเป็นแน่แท้ถ้าเองทำอย่างนั้นจะต้องไปตกนรกหาร้อยชาติเมื่อมาเกิดเป็นคนก็ต้องฆ่าตัวตายติดติดกันถึงเจ็ดชาติถึงจะหมดเวรหมดกรรม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 เพราะตกบ้านตั้งห้าหกครั้งยังรอดมาได้แม่มาอุ้มขึ้นบ้างพ่อมาอุ้มบ้างยายมาอุ้มบ้างแม่จำได้หรือเปล่าทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นเองกำลังนั่งห่อข้าต้มหัวงอไอ้หนูเขาอยากจะกินมะพร้าวเห็นยายขึ้นหัวกระไดมาก็วิ่งเข้าหา ป่าก็ร้องว่ายายจ๋ากินน้ำเผายายจ๋ากินน้ำเผามือข้างหนึ่งห้วมะพร้าวอีกข้างถืออิโตแล้วก็วิ่งตกบ้านไปเองก็ลมจับเลยกลัวลูกตายข้าต้องลงไปอมคนกระเด็นไปทาง มะพร้าวกับอิโตกระเด็นไปอีกทางข้าเองก็แทบจะเป็นลมอาศัยว่าสติดีเลยลงไปอุ้มหลานขึ้นมาได้นี่ถา้าเทวดาไม่รักษาก็คงได้ไปเกิดใหม่อย่างที่เอ็งว่านั่นแหละ เสียงนางด่างกับนางดำเห่ากันโชคขึ้นแล้วก็เงียบไปยายลุกเดินไปที่หน้าต่างมองเห็นทิศพองหิ้วของพรุงพรังเดินเข้ามาจึงบอกลูกสาวด้วยความดีใจผูว่เองมาแล้วช่างอายุยืนเสจิ้งเพิ่งพูดถึงอยู่หยกหยกจำแหลงเอ้ย ไปช่วยพ่อเองถือข่าวถือของหน่อยนางสาวจำแลงวิ่งปราดลงไปหาบิดายกมือไหว้แล้วรับข้าวของมาช่วยถือบางเกาะสนุกไหมพ่อหล่อนถามอย่างตื่นเต้นก็ดีเหมือนกันแม่เองอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาถามหาภัญญาจ้าบนหาเจ้าแหละทุกวันทั้งแม่ทั้งยายนั่นแหละ ข้าเงี้ยรำคาญจะแยกเองอิจฉาน้องก็ว่าเถอะบิดารู้เท่าทันใครจะไปอิจฉามันข้าดีกว่ามันตั้งเยอะตั้งแยะถ้ามันดีกว่าข้าก็ว่าไปอย่างนางสาวจำแรงพูดถึงคู่ปรับพอแล้วพอแล้วคนมาเหนื่อยเนื่อยอย่าทําให้อารมณ์เสียเดี๋ยวได้เจ็บตัวหรอกลูกสาวรู้ริษมือผู้เป็นพ่อดีจึงจําต้องนิ่ง วางของไว้ในเรือนแล้วเลี่ยงออกไปทางท้ายครัวด้วยท่าทางกระเง้ากระงอดทิดพองเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าแม่ยายพลางยกมือไหว้แม่จวนไหว้สามีซึ่งจากกันไปนานถึงสิบวันหมาเรือแดงหรือเรือเขียวหลักทิดพองแล้วไอหนูของขาเป็นยังไงบ้างยายถามสองประโยคในคราวเดียวกัน มาเรือแดงครับบางเอินผู้พกค้าแม่ค้าเขาขนของขึ้นลงกันแทบจะทุกท่าที่เรือจอดเลยทำให้เสียเวลาไปร่มสองชั่วโมงส่วนไอ้หนูก็สบายดีครับเขาฝากหนังสือมาถึงแม่ด้วยลูกเคยตอบชัดถ้อยคำอยู่ไหนละ่ะแม่จูวนันอ่านให่ข่าฟังหน่อยสิ ทิดพองเอามือล้วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบกระดาษซึ่งพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาส่งให้พันยาแมจนคลี่ออกอ่านให้มันดาฟังเขียนที่บ้านสามกระไดลูกสาวอ่านออกเสียงบ้านสามกระไดเป็นยังไงนะทิดพองบ้านที่ววาเนี่ยใยญ่องใจตั้งแต่ประโยคแรกคือบ้านหลังใหญ่ครับ เป็นเรือแนแฝดสามหลังติดกันมีกระดายขึ้นสามทิศลูกเคยอธิบายอ๋องั้นก็อ่านต่อไปแม่จวนจึงอ่านต่อกราบเท้าคุณยายและคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูงคนบางก่อเคารกพ่อแม่ปู่ย่า ต, ตายายต้องมีคุณนำหน้าครับ พิทพองอธิบายก่อนที่จะถูกถามผมมาถึงบางกอก ร, ร่วมสิบวันแล้วได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีที่สุดของบางกอกชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบคาถากรณียะเมตสูตรของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นขลังและศักดิ์สิทธิ์มากผมเข้าโรงเรียนนี้ได้ก็เพราะคาถานี้ผมอยู่บ้านคุณปู่คุณย่ามีความสุขมาก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 ด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญจรุนรัตแกลยดหมายไม่ได้ลงวันที่หรือยายถามอย่างคนรอบคอบไม่ได้ลงจ่ะลูกสาวตอบอ๋ออย่างนี้นี่เราถึงได้ตกภาษาไทยอยู่บ่อยๆ ย, ยายหาทิตฐิจนได้ ทิดพองลุกขึ้นไปหยิบแอปเปิ้ลมาส่งให้ยายพิจรารณาสิ่งกลมๆเขียวๆในมือและพูดว่าหน้าตามันก็เหมือนพุทธาบานเรานั่นแหละเพียงแต่ลูกใหญ่กว่าของแปลกๆดีๆอย่างนี้ข้าไม่กินหรอกจะเอาไปถวายสมผานวัดศรัทธาภิรม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 นางสาวจำแหลงเดินเข้ามาได้ยินจึงสรพยอกว่ารับรองยายได้เอาไปคุยอวดคนทั้งบางเทลละคราวนี้ยายค้อนงา ม, งามสามวงใส่นางคนแสนรู้